ทรงอนุญาตให้ฉันบินตบาต ท, ที่เครือหัดปรารคไว้ก่อนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงทำมีกรถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเครหัดปรารคไว้ก่อนเราอนุญาตให้ภิกษุผู้รู้อยู่ฉันบินตาบาด ท, ที่ภิกษุณีแนะนําให้จัดเตรียมได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้